الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل متوفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة วเฮ لنا من أمرنا رشدا اللهم ف ق ه ن ا في الدين و ع ل م ن ا ا ل ت و ي ل اللهم ف ق ه ن ا في الدين و ع ل م ن ا التأويل اللهم ف ق ه ن ا في الدين و ع ل م ن ا ا ل ت و ي ل وارزقنا عملا صالحا برحمةك يا رحم الرحمين الحمد لله ي ك ن ك توفيق ا ل ل ه ب ح ا ل ى ให้มาพร้อมๆกัน ในสถานที่ที่ดีที่สุดก็คือณนะบ้านของลอสุนทานอัลลอฮ์ซึ่งมัสยิดนะครับหลายคนที่ไม่เห็นความสำคัญของมัสยิดซึ่งโดยแท้จริงแล้วในอิสลามนั้นมัสยิดมีความสำคัญเมื่อลยทีเดียวรับเราจะเห็นว่าท่านนาบีซุลลัลลอฮัลม ในประวัติการต่อสู้หรือการเผยแผ่ อ, อิสลามของท่านท่านจะให้ความสำคัญกับมัสยิดนะครับเราทราบกันดีว่าวันแรกที่ท่านฮิจราะเรายังอยู่ในบรรยากาศของฮิจราะอยู่นะครับปีใหม่ฮิจราะเพิ่งเริ่มไม่ไม่กี่วันนะครับเพิ่งอาชุรอไปเมื่อเมื่อวาน ครั้งแรกที่ท่านนบีสุลต่านของอะลัยอัสสลามถึงที่เมืองมาดีนะประการแรกเลยที่ท่านทําก็คือท่านสร้างมัสยิดมัสยิดกับสังคมมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่เคียงกันมาตลอดชุมชนไหนที่ไม่มีมัสยิดชุมชนมุสลิมไหนที่ไม่มีมัสยิดเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบอกนะครับว่าชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรนะชุมชนส่ญญวนใหญ่เราจะต้องมีมัสยิดแต่มีมัสยิดแล้วไม่ได้ใช้งานมัสยิด ไม่ได uh, really, ้ในภาษาอาหรับเรียกว่าอิมาระอิมาระทูลมัส j i การทาให้มัส j i ดมีชีวิตชีวาอิมาระทูลมัส j ิดเนี่ยอัลลอฮฺ ت ع บอกว่าอินนามา يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ م َ ن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ا ل ْ خ ِ ر ِคนที่แท้จริงแล้วบรรดาผู้ที่ทำอิมาระหรือการทาให้มัสยิดเนี่ย เอพราเรียกว่ามีความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอภายนอกปัจจัยทางด้านวัตถุหรือนะเรื่องของจิตวิญญาณนะครับของมัสยิดเนี่ยคนเหล่านั้นก็คือคนที่เยยุมินูบินละฮิวเลียวมิลอาติบคือคนที่มีศรัทธาต่อ Allah ศูนย์ผานอัลลอฮ์ได้ไม่ใช่ง่ายนะครับการที่จะให้การที่จะให้ ใ, หใครบางคนมีความผูกพันกับมัสยิด าการที่จะใหเ้เราจะเรียกร้องยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยมีความผูกพันกับมัสยิดนะครับจะทำยังไงเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะพัฒนาสังคมโดยไม่ให้ความสำคัญกับบทบาทของมัสยิดนะครับนอกจากบ้านบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนเดี๋ยวนี้เาเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพมาช่วยผลักดันโครงการดีๆในสังคมมุสลิมนะครับชื่ออาจารย์ยะฮยา จั ญ, ญยาหยะทองทานะเคยมาเจอกับพวกเราหลายครั้งแกนำเสนอโปรเจกต์ของแกก็คือการสร้างทฤษฎีความร่วมมือกันระหว่างบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนโครงการง่ายๆเรียกว่าบารมช่วยกันดูแลเด็กๆให้พ้นจากปัญหายาเสพติดให้พ้นจากปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่ เอสังคมมุสลิมเราปัจจุบันนี้ประสบกันอยู่แน่นอนที่สุดครับว่ามัสยิดนี้มีบทบาทมากในการที่จะทําให้หลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะทําให้คนที่ผูกพันกับมัสยิดและนะครับสมควรอยู่นะที่มันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะคนที่ผูกพันกับมัสยิดจริงๆเนี่ยลักษณ ะ, ะาาจะให้ผลบุ ญ, ท, ญบนนที่ยิ่งใหญ่มากจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งพวกเราทุกคนคงอยากจะได้เรื่องนี้เคยได้ยินหะดิษท่านอับดเบียบอกว่าซบะตน uh um illa ill uh. ุนโยซิลลูฮุมุลลอหูซีซิลลิฮิยวมาล้ซิลละอิลละซิลเคยได้ยินไหมครับเจ็ดจำพวกของมนุษย์ที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในวันเกียรติ์ซึ่งไม่มีร่มงเงาใดๆอีกแล้วในวันนั้นนอกจากรม่มเงาของอัลลอฮ์ลองคิดดู วันที่เราเปลือยล่อนจนวันที่เราไปรวมตัวกันเนะ่ทุ่งที่มันไม่มีอะไรเลยดวงอาทิตย์ร้อนจัดเหงื่อไหลซกซกนะครับทีนี้ไม่มีร่มเงาอากาศร้อนมากมีหะดิษบางฮะดิษอธิบายสภาพความโกลาหลความน่ากลัวของวันเกียรมัดก็คือว่าบางพวกมนุษย์บางพวกนีย่ยจะต้องไหวยอยู่ในน้ําเหงื่อของตัวเอง บางพวกต้องว่าอยู่ในน้ำเหนือของตัวเองนะบางกลุ่มน้ำเหนือนะครับไหลออกมาเนี่ยถึงระดับข้อเท้านะคนที่มีบาปมากหน่อยระดับหัวเขา่านะมากกว่านั้นอีกต้องวหว้ระดับเอวมากกว่านั้นระดับคอบางคนก็คือบางพวกจมจมน้ำเหนือของตัวเองเพราะตาม ส, สภาพบาปที่ตัวเองได้ทำทีนี้คนที่จะปลอดภัย คนที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยเจ็ดพวกที่ท่านนาบีบอกใน hadis นี้เนี่ยมีอยู่พวกหนึ่งซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทุกคนนะครับมันมีอยู่เจ็ดพวกหนึ่งก็คืออิม่ามุลอาดิลผู้นําที่ยุติธรรมเราทุกคนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นผู้นํากันทุกคนข้อ น, นี้เนี่ยบางคนอาจจะทําไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้นาําแต่บางบางบางเอ่อบางพวกเนที่ท่านนาบีบอกว่า ว่ชาบุญนะชาอาฟิอิบาดัติลล่าคนหนุ่มที่เติบโตในวัยหนุ่มนี่ไม่เคยทําบาปเติบโตมาในสภาพที่ทําอิบาดัตบางทีพวกเราผ่านวัยหนุ่มกันมาแล้วนะครับสมัยหนุมน่มๆเนี่ยต้องไม่ได้เอาใจใส่ศา ส, สนาเท่าไรผ่านไปแล้วหมดไปแล้วข้อนี้ค ง, คงกลัดย้อนกลับไปทําไม่ได้อีกแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่สามารถจะทําได้ทุกคนนะครับนั่นก็คือรจูลน์กับบูฮูมัลลักน์บนมัสยิด เกี่ยวข้องกับมัสจิตคนที่หัวใจนั้นแขวนเอาไว้ที่สุราแขวนเอาไว้ที่สุราหมายความว่ามีความผูกพันนั่นมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกใกล้ชิดกับมัส j ิดอยู่ที่ไหนก็คือมัสจิตเป็นที่ที่เขาอยากจะนะครับมาใช้มาอยู่มาหลายหลายอย่างนะครับมาทาอามัลอิบดะมาทำดีต่ออัลลอฮ์ซุลแฮานะครับเพราะฉะนั้น ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาะอัลลอนะครับเราทุกคนกล่าวอัลฮัมดุลิลละที่ทรงเปิดใจให้เรานั้นเป็นอินชาอัลล์ให้เราเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่มีหัวใจรักมัสจิตนะครับแล้วก็ปลูกฝังลูกๆห ล, ล, ลานๆของเรานั่นให้ให <Hey, hey. S 1> ้รักมัส j ิ d ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์อินนามะ ي ะ م ย م ُงร مَسَاجِدَ الله ผนอามะน์บิ ا ل าฮ์วัลยูมัลอาข์ร์ว่าขำัมัละอา ا ل ل ลซักะَัลัَยัข์ัลลัฮَฟะง์ัสัลาีกันย์คูนัมนัลมุหตีนนะครับซูระอัตัวบะฮะที่แปดอัลฮัมดีละทีนี้เรามาดูกันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตัฟซีรของเราในที่นี้นะครับซูระอับ วันนี้เริ่มตั้งแต่อายัดที่หนะ้าสิบเก้านไม่ใช่ห้าสิบเก้าหรือเปล่าเมื่อกี้บอกนะห้าสิบเก้าห้ห้าฮะห้สิบเก้าเรายังไม่ได้ตัดเช็ดนะเช็ดหรยังผมว่ายังไม่ได้ตัดเช็ดพวกผลไม้ต่างๆที่เรายังไม่ได้อ่านนะใช่ไหม อ, อายัดที่ยี่สิบสี่ ทั ظ งยิมนุ่งริ่งอินสันอีลาَ عام ยังไม่ตั้ีรษะยังไม่ได้ที่ไบทนะอายะที่ี่สิสีครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ف َ ل ْ ي َ ن ْ ظ ُ ر ِ الْإِنسَانُ إلَى ِٰ طَعَامِهِ وَالْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبْبَنَا ا ل ْ م َ ا ء َ ص َ ب ّْ ا ثم شقنا ق الأرض, الأرض شقًا، فأنبتنا فيها حبًا. وعين ب وقبا, وقبا وزيتون ونخلة وحدائق غ ل ب ا فَكِهَتَوْ و َ أ َ ب َ ا مَتَى อำดลินลนะครับเอาแค่นั้นก่อนนะครับจบเรื่องพอดีนะตั้งแต่อายะห์ที่ยี่สิบสี่ไปจนถึงอายะห์ที่สามสิบสองนะครับฟัลยันดุลินอินซานอีลาต้าามิครั้งที่แล้วนะครับเราได้อธิบายถึงหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่อัลลอฮฺสุพรรณและเตือนให้มนุษย์คิดถึงสภาพที่ตัวเองนั้นนะเป็นคนที่ โดยนิสัยก็คือชอบที่จะฝ่าฝืนทรยศต่อลอสุบฮานาะตะละกุศีละองิงแซนไม่อักษรห์นะครับไม่อักษรห์อัลลอฮฺอักษรม่อักษรห์เราอธิบายแล้วว่ามนุษย์นั้นปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานาะตะละชอบที่จะทรยศต่อลอสุบฮานะาะตะละทั้งทั้งที่เขาไม่สมควรจะทําอย่างนั้นเพราะอะไร เพอลัลลอฮฺตาลาเป็นผู้สร้างเพราะอลัลลอฮฺตาลาให้รุสกีกับเขาอลัลลอฮฺตาลาให้ความง่ายได้กับเขาลหลายๆอย่างนะครับและเนืเมตต่างๆที่เขาได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานอัลลาห์นั้นถ้าเขาจะตอบแทนสมมุติว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยทําชั่วเลยทําแต่ความดีตลอดความดีที่เขาทําทั้งชีวิตเนี่ยถ้าจะเอาไปเปรียบถ้าจะเอาไปให้มัน เขาเรียกว่าให้มันสมดุลกับที่ Allah ตาอัลอให้เป็นแนบมัดเนี่ยมันก็ยังไม่พอเราไม่ทำบาปสักชิ้นหนึ่งเลยนะตลอดชีวิตนี้สมมุติเราไม่ทำบาปสักชิ้นหนึ่งเลยแล้วเราก็บอกว่าความดีของเราเนี่ยจะเอาไปทดแทนบุญคุณของ Allah ตาอะลลอถามว่าแทนพอไหมกัลละละมมยยักดีมาอัมรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่า เรานี่จะทดแทนบุญคุณของลอสุบฮาร์ตัลลาให้หมดเลยนะจะทำอามัลอิบาดัตต่างๆให้หมดเลยทำไม่ได้เราแต่กระนั้นเราก็ยังไม่ระลึกไม่สำนึกนะครับเรายังทำบาปทุกวันนะทุกเช้าทุกค่ำฝอาลลอสุบฮาร์ตัลลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับก็ยังเมตตาเรานะยังไม่ลงโทษเราบาปเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยลอลลาเหมือนกับว่าเฉยเมยกับเราเลย ไม่สนใจเลยคือเหมือนกับว่าหนะ้าบาป ท, ที่เราทําทุกวันทุกวันเนี่ย سبحان อัลลอฮ์เราเนี่ยคือว่าเป็นเราเป็นหนี้บุญคุณกับอ AH, ัลลอฮ์า ب ะ ا ن อัลลอฮ์เนี่ยขนาะดบุญคุณของพวกเราก็ทดแทนไม่หมดแล้วบาป<บ>ของเราเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่สนใจอีกอิอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงนะอัลลอลาบอกในอัลกุรอานว่าถ้าหากว่าอาในสุร อะไรนะที่บอกว่าถ้าหากว่านะพระองค์นั้นสนใจมนุษย์เนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วมันหมายถึงว่าเนี่ยผมดูแป๊บหนึ่งนะครับในสุร่าที่พูดถึงนะสุร่ายาซีนสักหนึ่งสุรห์เนี่ยที่ a l l า h ตละลาบอกว่า ولو يأخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ว่าแล้วยุอัครุหุมอิลุนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮาร์รัตัลที่มีต่อมนุษ่าแ้ยุอัครุหุลอัล ا อฮฺนัสาหาอัลลอฮฺซุบฮาร์รัตัลจะลงโทษมนุษย์บิไม่แคสบูอันเนื่องมาจากสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นทาผิดต่อพระองค์ทุกวันนี้บนโลกนี้ ปัจจุบันนี้วินาทีนี้ตั้งแต่อดีตการมาจนถึงวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยมีการทําผิดต่อลอสบวาโลตาลามากแค่ไหนพี่น้องลองจินตนาการดูตั้งแต่วันแรกที่ท่านนาบีอาดัมทําผิดจนถึงเรายุค ป, ปัจจุบันนี้เนี่ยคนทรย Allah, นนอยด์ลอสสวาโลตาลามากแค่ไหนกี่คดีกี่คดีที่เข้าไปสู่กระบวนการที่ลอตัอลามจดบันทึกให้เป็นคดี ังคดีร้ายแรงคดีธรรมดาคดีเล็กๆคดีใหญ่โตคดีที่ถ followed, Or, ึงขั้นอ้างเป็นพระเจ้าก็มีเนี่ยคือการทรยศของมนุษย์ท mm hmm. ี่อัลลอฮ์บอกว่ากุติเลอินซาอมาอักฟาระถ้าอัลลอฮ์จะเอาการปฏิเสธของมนุษย์เป็นบรรทัดฐานในการลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามาทระอัลลอรฮามิดะบอัลลอจะไม่ให้เหลือแม้แต่สัต ตัวเดียวบนโลกนี้ทําลายโลกนี้เลยคร่ ะ, มะแมลงสาบก็ไม่เหลือมแมลงสาบตัวเล็กๆอ่ะถ้าเราแต่ละจะเอาบอกว่าเอาเอาความผิดของมนุษย์เนี่ยเป็นเกณฑ์นในการลงโทษให้ทําเฉยๆ เ, เพระองค์ทรงก็ได้กวา่าอะไรนะทําเฉยๆ เ, เสียปล่อยให้มนุษย์ทําผิดไปเสีเนี่ยแต่เราอยู่ทุกวันที่เราไม่ลึกเราไม่สํานึกถึงความยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็เลยทําทําผิดได้เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอัลกุรอานพยายามที่จะดึงมนุษย์ออกจากสภาพที่หลับไหลเนี่ยให้กลับคืนมาเพราะถ้าเรายังหลับไหลอ ย, อยู่อย่างนี้เนี่ยวันนี้อัลลอฮฺไม่ลงโทษเราพรุ่งนี้ยังไม่ลงโทษเรามรืนนี้ยังไม่ลงโทษเราสัปดาห์นี้ยังไม่ลงโทษสัปดาห์หน้ายังไม่ลงโทษเดือนหน้ายังไม่ลงโทษพี่น้องคิดว่าเราจะปลอดภัยหรือ สักวันหนึ่งถ้าอรัสอาลาจะลงโทษเราเนี่ยพี่น้องลองคิดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบาปของเราสะสมสะสมสะสมสะสมสะสมความผิดของมนุษย์ยิ่งนับวันยิ่งเยอะยิ่งเยอะความเล็กเทะในสังคมมันยิ่งเยอะยิ่งเยอะเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าอรัสอาลาจะลงโทษนี่พระองค์จะทำยังไงกับเราให้มันเหมาะสมให้มันคู่ควรกับความผิดที่เราทำนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องระลึกและหน้าที่ของเอาเขาอ่านก็คือต้องการให้มนุษย์นี่คิดเรื่องนี้ าอาพึ่งเอลเนาะด้วยการใช้กระบวนการต่างๆนานาให้มนุษย์ระลึกขึ้นมาให้ได้พูดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานั่นแหละนี่มนุษย์เจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยอัลลอฮ์อาหารที่เจ้ากินอยู่เนี่ยก็ด้วยอัลลอฮ์นี่คือคอนเซปต์ของอายัดนี้อายัดที่อัลลอฮ์ตรลาบอกว่า fall y ร n z u l insanu ila taami โอ้มนุษย์คนที่ทารายศต่ออัลลอฮ์เอ๋ยโอ้มนุษย์ คนทีด่ดื้อด้านต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเอ๋ยจงดูซิว่าอาหารที่เจ้ากินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมาจากไหนต้องคิดดูสิเรากินข้าวเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าข้าวมาจากไหนเรากินเนื้อกินกุ้งกินปลาฮะสบายสบายโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยอาหารสดสดทั้งนั้นกินผักโน่นผักนี่ เอามาจากไหนพลไม้ต่างๆเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยชนิดบางทีไม่มีปลูกในในจังหวัดเราแต่มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะมาจากจีนบ้างมาจากอเมริกามั่งมาจากโน่นมาจากนี่เต็มไปหมดเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วมาจากไหนอาหารเนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับมนุษย์ถ้าไม่มีอาหารมนุษย์อยู่ไม่ได้อาหารมาจากไหนสุภาพน้ลลาลอทุกวันนี้นี่เราเรียกว่าเราใช้เนตมะของลอ เนืมัดก็คือสิ่งที่เราประทานมาให้เราเนี่ยไปทรยศอัลลอฮ์ Allah. ใช่ไหมครับมนุษย์ใช้เนื้อหมัดขออัลลอฮ์ทรยศอัลลอฮ์เหมือนเราเป็นพ่อนะเราเป็นลูกนะเราเป็นลูกเราเอาเงินพ่อเนี่ยไปทําร้ายพ่อดีไหมแบบนั้นลูกแบบนั้นเป็นลูกที่ดีไหมนะนี่เราเป็นบ่าวนี่เราเอาบุญคุณของอัลลอฮ์เราไปละเอาไปทําผิดกับอัลลอฮ์ถามว่าคนที่ ไปฆ่าคนเนี่ยเขาเอาลมหายใจของใครนะที่มีชีวิตอยู่หรือคนที่ทําอะไรก็เถอะแต่ความผิดทั้งหมดบนโลกนี้ไม่มีหรอกที่ว่าเอางบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐมหาวตทยาลัยในการทําผิดงบประมาณของรัฐทั้งหมดเลยเราหายใจของเขาที่เอาล็อประทานมาให้เขาอาหารที่เขากินก่อนจะไปทําร้ายคนอื่นก็เอามาจากอาหารที่เลาล็อกประทานมาไม่มีใครคิดเรื่องนี้นะ วันที่เราทําผิดวิคนาทีที่เราทําผิดไม่มีใครคิดเลยว่าเอาเนื้อมาที่รับประทานให้ทําผิดต่อล l l a h เพราะฉะนั้นฮัลยังซูริลอินซาอุลลอฮฺะามีเป็นกระบวนการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่อัลกุรอานต้องการให้มนุษย์ระลึกถึงข้อเท็จจริงนี้อันซาบับน์ลมะอัลบบะว่านะจริงแล้วเราได้หลังน้ําลงมาแเราได้หลังน้ําลงมา อุลามะบางคนอธิบายว่าคำที่ Allah Taala บอกว่า فالينظر الإنسان إلى طعام ิมนุษ์จงดูว่าอาหารของเขามาจากไหนคำว่าอาหารตรงนี้ก็คือ น, น้ำฝนเป็นความหมายเดียวกันสองอายัดนี้นี่เป็นความหมายเดียวกันบางอุลมะอธิบายอย่างนั้นเพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าไม่มีน้ำฝนถ้าไม่มีน้ำเราจะไม่มีอาหารให้กินดู พี่น้องลองดูความละเอียดอ่อนของอัลกุรอานอิสลามลองดูความละเอียดอ่อนในการอธิบายหลักทางวิทยาศาสตร์นะที่เราที่เราเรียนกันในสภาพในโรงเรียนปัจจุบันที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยถ้าไม่มีน้ำฝนเบสิกง่ายๆเลยไม่มีเรือกสวนไรนาพืชผลต่างๆไม่ออกดอกงอกผลออกมาให้เรากินเพราะตลาาบอกว่าริสกีของเราหนิอยู่บนท้องฟ้าวาฟิสซมาอ ริสกุกุนอย่างนั้นเลยครับนกุนรอานว่าฟิสมาไอริสกุกุ um. บนท้องฟ้านี่มีริสกีของพวกเจ้าอาหารของเรานี่มาจากท้องฟ้าในสูรทุลกาฟีเนี่ยอลัอลลอฮฺสั่าบอกว่าพระองค์ทรงทรงให้น้ำลงมาพร้อมกับผลมไม้นะสารอาหารต่างๆนี่ลงมาพร้อมกับน้ำฝนแล้วก็ซึมเข้าไปในดินแปลกไหม ทำไมเวลาที่ฝนตกเนี่ยสมมุติพื้นดินนี่แห้งกรังมาเป็นเดือนๆ เ, เป็นสัปดาห์พอน้ําำลกมาปุ๊บเนี่ยทําไมมันถึงต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตมาได้อย่างไงทําไมทําไมเวลาฝนตกแล้วต้นไม้มันจะต้องงอกขึ้นมาด้วย سبحان อัลลอฮฺ سبحان อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮเป็นสิ่งที่ท้าทายมนุษย์มากนะครับว่าวันใดวันหนึ่งถ้าโลกของเรา สูญเสียสิ่งที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศนะครับทําให้โลกไม่สามารถที่จะผลิตน้ําผลได้เนี่มนุษย์จะอยู่กันยังไงไม่มีอาหารให้กินไม่มีเขาเรียกว่าระบบนิเวศเสียไปเลยนะครับเมื่อไม่มีพืชสัตว์ก็อยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีสัตว์มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้มันเป็นวงจรวงจรอาหารที่เราเรียนระบบนิเวศนี้มันจะเป็นอย่างนี้นพืชขึ้นมาสัตว์ไปกินพืช สัตว์ก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ะไปออกไข่ไป อ, อะไรก็แล้วแต่เป็นเนื้อให้เราได้กินกเปเคืองจอดขนเพราะฉะนั้นลองลองลองสังเกตดูที่ละอย่างที่ละอย่างที่ละอย่างที่ลักษณะฺาากำลังพูดถึงเราอยู่นะครับเห็นไหมนะในคำภาษาไทยก็มีอธิบายเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงใช้ให้มนุษย์พิจารณาดูอาหารของตนซึ่งมีอยู่บนพื้นแผ่นดินนานาชนิดเกือบที่จะนับไม่ถ้วนให้มนุษย์เลือกบริโภคได้ตามใจชอบและตามความเหมาะสมและสิ่งที่มนุษย์ น่าจะได้ยอมรับในเดชานุภาพของพระองค์ก็คืออาหารเหล่านั้นเกิดจากน้ําฝนที่พระองค์ได้ส่งให้หลั่งลงมาทั้งสิ้นนะครับไม่มีน้ําฝนเราอยู่ไม่ได้อลลอฮฺกล่าวคือน้ําฝนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทําให้เกิดอาหารนานานชนิดและการที่มีฝนห ล, ลั่งลงมาจากฟากฟ้านั้นย่อมเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอยู่ในกฎสภาวะการที่อัลลอฮฺทรงกําหนดไว้น้ําฝนเนี่ยไม่ต้องไปทํามันไม่มีทางาทั่วโลกอะลาไม่ให้เกิด แม้แต่การทําฝนเทียมเขาก็จะต้องดูบรรยากาศด้วยไม่ใช่ว่าจะไปทําที่ไหนก็ได้นะก่อนที่จะทําฝนเทียมเขาจะต้องดูก่อนวนะ่าตรงไหนที่มันมีเมฆเท่าไหร่เท่าไหร่การฝนเทียมเนี่ยไม่ใช่ไปสร้างน้ําฝนแล้วก็ให้มันหลงมาไม่ใช่นะไปเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว บ, บนท้องฟ้าเนี่ยให้มันมามีเขาเรียกว่ามีกระบวนการที่สามารถก่อให้เกิดน้ําฝนได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะเป็นเลขศูนย์แล้วมันไปไป พอรยเม็ดฝนแล้วก็มันลงมาไม่ใช่ต้องมีต้อง ม, ตองมีต้นทุนอยู่แล้วอยู่บนอากาศเพราะฉะนั้นน้าฝนเนี่ยมาจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะผลิตน้ําน้ำํำฝนนะครับอพอน้ำฝน ล, ลงมาแล้วซุ ม, มชะก็คนเลออรดะะ์ดอชกกอแล้วเราก็ได้ให้แผ่นดินนั้นแย ก, กออกหมายถึงแยกออกด้วยต้นไม้ต่างๆที่แยกออกมาจากแผ่นดินสุบฮานอัลลอฮฺ พี่น้องลองสังเกตดูง่ายๆเลยเม็ดต่างๆที่เราไปหย่อนลงไปในดินนี่มันมันงอกเงยขึ้นมาได้ยังไงเวลาที่มันโดนน้ำเป็นความมหัศจรรย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกนี้สอนเราได้หมดเลยให้เรารู้จักอัลลอฮฺสุลต่านาะซ่าละฟาอมบเนฟีฮพอแผ่นดินแตกออกแล้วาะซ่าลาก็ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นมาวบ วะกัฟบแล้วก็มีอินัดอินัด ก, ก็คืออ ง, งุ่นนะครับเป็นผลไม้ชั้นดีที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับวะกัเบแล้วก็พืชผักตา่างๆวะเจทูนันวะนัค ล, ละเลต้นมะกาและนัคละนัคละเนี่ยเป็นต้นไม้ประเภทปาล์มเจทูเป็นต้นไม้แบบ ยืนต้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะมีความพิเศษของมันอัง่นก็มีความพิเศษของมันอัุวนเนี่ยมันมีมันมีหลายอย่างอังวนที่มีประโยชน์มากในขณะเดียวกันอังวนเนี่ยสามารถเอาไปทําอาหารชนิดหนึ่งที่มีโทษต่อมนุษย์และก็นะมนุษย์เนี่ยใช้อังวนในการทําผิดต่อโลกสุภาวาสะละด้วยนะเวลาที่เวลาที่กําลังดื่มน้ําที่ทําน้ําเหล้าที่มาทําทํามาจากอัง่นเนี่ย คิดไหมว่าอังโหนนี่มาจาก ไ, ไอังโหนนี่ใครเป็นคนทําอังุหนนี่ใครเป็นคนให้งอกเงยขึ้นมานี่คือตักกะของอัลกุรอานุการีที่ต้งการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพที่ระลึกถึง All ah am, อัลลอฮฺผู้ประหารศาลา ย, ยิบบะลาตลอดฺเวลาแล้าเนี่ยคําว่าขมรในภาษาอาหรับเนี่ยอัลคัมรอุลามะบอกว่าอัลคขมรเนี่ยเจาะจงเฉพาะเหล้าที่ทํามาจากอังุหนเท่านั้นเพราะว่าอังุ่นเป็น วัตถุดิบหลักในการทำเหล้าใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังใช้อัญมณในการทำเหล้าเหล้าดีๆแพงๆเนี่ยเขาใช้อัญมณกันทั้งนั้นสุภาอัลละผลไม้ที่มีประโยชน์มากผลไม้ที่มหัศจรรย์มากแต่ถูกมนุษย์นะครับที่ฝา่าฝืนอัลลอฮ์สุภาอันละเปลี่ยนสภาพให้เป็นน้ำเมาซึ่งมาทาลายตัวเองมาทาลายสังคม น้ำเมาอย่างเดียวน้ำเมาที่นะที่ถูกเรียกว่าอุมุลคบอิสแม่ของบรรดาความสกรปรกโสมมเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่ามาว่าสมัยของชาวคัมภีนะครับที่บอกว่ามีเหมือนก็เหมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อ เป็นตตปกเกย์พูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือคนที่ว่าอยู่ในสุราตลอดนะครับอยู่ในสุราตลอดแล้วก็ อ, อคืออาราบิดหมายถึงว่าคนที่วอร์ร็อกนะครับวอร์ร็อกแล้วก็ไม่เคยทําผิดอะไรเลยเป็นคนที่ดีมากๆใครเห็นใครก็ชมน่าอยู่แต่ในสุราไม่อะไรเลยชัยตอนเนี่ยมันอยากจะมันมันคิดที่จะหาทางาจะทํายังไงให้ มันจะหลอกไอ้คนที่เป็นคนโวเราะคนนี้เนี่ยให้ทําผิดต่อลอตตาลาให้ได้นะครับมีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกหนึ่งให้อบิทคนนี้เนี่ยไปฆ่าคนสองให้อบิทคนนี้เนี่ยไปซิน่ากับผู้หญิงและอันสุดท้ายก็คือให้ดื่มเหล้าวิธีการก็คือผมจําเนื้อเรื่องที่มันเป็นละเอียดไม่ได้แต่จะบอกว่า พระการแรกนะครับเริ่มสเต็ปแรกเนี่ยไม่ใช่สั่งให้ไปฆ่าคนก่อนอันดับแรกเนี่ยแค่ให้มีผู้หญิงแบกน้ำเหล้ามาผ่านหน้าเฉยๆก่อนแบกแบกเหล้านะครับแล้วก็มาชวนให้เนี่ยดื่มดื่มสักจ่อยไหมไม่เป็นไรหรอกดื่มสักแก้วสองแก้วคงไม่เมาคงไม่อะไรพอเหล้าเข้าปากแค่นั้นแหละครับไม่มีละไม่เหลือความเป็น ไม่เหลือความเป็นก็เลยทําผิดขั้นที่สองต่อไปนั่นก็คือทําซิน่ากับผู้หญิงที่ขายเล่าคนนั้นพอทําซิน่าเสร็จกลัวว่าความผิดจะถูกเปิดเผยนะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองนี่ทําผิดถ้าผู้หญิงนั้นเสียจากความผิดขั้นแรกก็คือแค่ดื่มเหล้านั่นแหละจึงถูกเรียกว่าอุมุลขบะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรณรงค์นะกับคนเมาไม่ต้องไปรณรงณ์คนมันเมาอ่ะคนมันไม่มีสตินะเราไปรณรมณ์ถ้ามันจะทําตามที่เราบอกเลยนะต้องบอกว่านะของที่มันพังอ่นเนี่ยงงยังไงยังไงมันไม่ ม, มีทางที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่อั Allah A ลลอฮฺละฮาอุลาห์เราลนะอัลลอฮฺแล้วมันก็เป็นอะลามัตเกียมัตด้วยพี่น้องจําเอาไว้ให้ดีเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกที่การที่ว่าน้ําเมาจะแพร่ระบาด เป็นสัญญาณหนุสิ้นโลกน้าอุงสุบินล่ะมึงจะเล็กน้าอุงสุบินล่ะเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้คนปัจจุบันนี้อยู่ในสังคมแบบนี้ได้อย่างไงสังคมที่กินเหล้าสังคมที่เห็นเหล้าเป็นเรื่องปกติสังคมที่ไม่มีใครว่าอะไรเลยถ้าคนจะกินเหล้านะถ้าคนจะดื่มเหล้าถ้าคนจะดื่มน้าเมานั้นเป็นเรื่องที่เออตามแตสบายน่าท้ายกันแล้วนําซ้ําที่เรากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าบางคนเนี่ย น, นับถือศาสนาที่กินเหล้าไม่ได้เป็นมุสลิม ตัวเองไม่กินแต่ขายให้กับฝรั่งน้องคิดยังไงกับคนแบบนี้อัลลอฮฺอักบะฮอัลลอฮฺอัลกุบะฮฺซาบุรุลลอฮฺอัลกบะฮฺนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดนะวะอนะบัวะกัตบวะตูนวะนัคละไซตูนเป็นผลไม้พิเศษอีกชนิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงในอัลกุรอานในอัลกุรอานจะมีผลไม้หลายอย่างที่ละตาลาพูดถึงนะครับมีลูกทับทิม มีไซตูนมีลูกมะกอกมีลูก อ, อัตตีนมะกินก็คือลูกมะเดื่อฝรัง่งลูกฟิกนะลูกฟิกแล้วก็หลายอย่างนะครับที่เป็นผลไม้ที่ถูกพูดถึงมากกว่าว่าไซตูนไซตูนเนี่ยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นชาจาเรตินมุบารักต้นไม้ที่เต็มไปด้วยสิริมงคลเพราะว่าต้นไซตูนเนี่ยลูกมะกอกเนี่ยเขาจะเอาน้ำมะกอกมันทําเป็นน้ํามันแล้วมีประโยชน์มาก ใช้ได้หลายอย่างเราเรียนแล้วในสุรอติวัตทิวัตใจตูนที่ผ่านมาวนาคละนาคละก็คือต้นไม้ชนิดปม่มซึ่งคนรับนี่เขาจะเวลาที่พูดถึงนัคละเนี่ยเขาจะนึกถึงอินทหลัมก่อนเพราะว่ามันมีเยอะในประเทศเขานะครับแต่ว่าคำว่านัคละตรงนี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะอินทหลัมเท่านั้นเจาะจงนะต้นไม้ชนิดป์มก็คือไม่มีกิ่ง ต้นไม้แบบแบบพันปา่าเนี่ยก็จะเป็นสูงแล้วก็มีเฉพาะก้านใบอย่างเดียวไม่มีกิ่งออกมาเหมือนกับต้นใสๆนครับซึ่งก็มีประโยชน์กับมนุษย์มากเหลือเกินอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์มากสำหโดยเฉพาะสําหรับคนอาหรับที่กินอินทผลัมเป็นอาหารหลักคนอาหรับบางสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสองอย่างเท่านั้นที่เป็นอาหารหลักข้าวสาลีกับอินทผลัมอินทผลัมนี่ถ้าไม่มีข้าวสาลีนี่เขาอยู่ได้ เป็นอาหารหลักของเขาเพราะว่ามันให้พลังงานเขาบอกว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นทั้งอาหารหลักเป็นทั้นผลไม้และเป็นทั้งของหวานนะไปบ้านเขาเนี่ยนะเขาจะยกกาแฟและก็ยกอินทผลัมก่อนให้กิน <c oughs> ก่อนที่จะกินข้าวนะครับพอกินข้าวเสร็จปุ๊บไม่มีผลไม้เขาก็เอาอินทผลัมนั้นมาอีกนี่คืออวมพิเศษของมันนะครับอินทผลัมเพราะฉะนั้นเขาใช้ประโยชน์มาก ทีนี้เรามาดูบ้านเรานะผละไม้ประเภทต้นปาล์มเช่นต้นปาล์มก็ใช้ผลิตน้ํามันได้ประเภทมะพร้าวก็มีประโยชน์กับเรามากเลยเกิดนะครับต้องคิดเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันเกิดขึ้นอัลลอฮฺสุบัยห์อัลลอฮฺกำหนดมาเนี่ยมะพร้าวต้องเป็นอย่างนี้น้ํามะพร้าวเนี่ยใช้กินได้ด้วยแล้วก็ว่าวเป็นต้นไม้พิเศษเหมือนกันมะพร้าวใช่ไหมครับถ้าเราไปลองวิเคราะห์ดูเนี่ยเนื้อมันก็กินได้นะ้ํามีคอลลาเจนสูงนะใครที่อยากจะ เรียกว่าอาหน้าใสหน้าอะไรนี่ไม่ต้องไปกินน้ําคอลลาเจนที่เขาโฆษณาอยู่ตามทีวีอะไรหรอกนะกินเนื้อมะพร้าวนี่มีคอลลาเจนสูงนะสามารถแก้มะเร็งได้นะลองไปหาดู ส, าาาสร้างมาหรอก a l l าสร้างผลไม้มาแต่ละชนีดนะน้นะาของมันอย่างแทนน้าถ้าไม่มีน้ําที่อื่นเนี่ยนะไปติดเกาะจิตไหนไม่มีน้ําจืดเฉาะมะพร้าวกินยังอยู่ได้นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลย อัลลอฮฺตะอัลานี่บอกเรื่องเหล่านี้นี่ให้เราคิดแต่เราไม่เคยคิดเลยเรากินน้ำมะพร้าวกันทุกวันไม่เคยคิดเลยอัลลอฮฺอักบัดนะไม่ต้อง ซ, อซื้อซื้อราคาถูกด้วยมะพร้าวลูกแค่สิบห้าบาทใช่ไหมครับแม้กว่าที่มันจะเป็นมะพร้าวออกมาแต่และลูกแต่และลูกลองคิดดูนะครับลเอลลาฮฺอิลลัลลอฮฺลเอลลาฮฺอิลลัลลอฮฺวะฮฺดาอิคารุบะและบรรดาเลือกสวนอันนาเิ มีใครที่ไม่อยากได้บ้างสวนเข้าไปในสวนปุ๊บมีต้นไม้ทุกอย่างมีมะม่วงมีมะละกอมีมะมีอะไรอีกมะมะทั้งหลายนะทําไมต้องต้องขึ้นดวยมะด้วยก็ไม่รู้นะมะกอบมะขามมะอะไรอีกอมะเดือทําไมภาษาไทยมันเริ่มกับมะทั้งหมดเลยมันคืออะไรนะมะเนี่ยมีที่มาที่ไปหรือเปล่าเราภาษาไทยใช้คําว่ามะกับผลไม้ลองคิดดูซิว่านะใครคนหนึ่งมีสวนอยู่สวนหนึ่งในสวนนี่มีทุกอย่างเลย นนี่คือความฝันของเราความฝันของมนุษย์เนี่ยะถ้าบอกว่าเอาไหมจะ ใ, ให้สวนแบบนี้ไม่มีใครไม่อยากได้อยากจะอยากจะได้สวนกันทนั้งและสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยคําว่าสวรรค์เอเจนเน่ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาจากคําว่าเนี่ยมาจากคําว่าสวนเหมือนกันเพราะว่าในาสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นสว น, นมีต้นไม้ร่มรื่นและมีลําธารไหลอยู่ข้างล่างเอื่อย พักผ่อนสบายๆเวลาที่อยากจะกินอะไรก็นอนเอกเหนกบนเตียงอ้าวอยากจะกินเงาะเงาะก็เลื่อนลงมาใกล้ๆไม่ต้องลุกนะนั่งอยู่สบายๆ บ, บนเตียงเอื้อมมือไปหยิบเงาะมากินอยากจะกินมะละกอค <c oughs> งมีใครอยากจะกินมะละกอในสวรรค์ไห <c oughs> อยากจะกินมะม่วงมะม่วงนึกแค่นึกอย่างเดียวต้นมะม่ว ง, งก็จะโน้มกิ่นลงม า, มาอย่างนั้นเลยสภาพในสวรรค์ سبحان الله นะอับไม่ใช่ไม่วช่ไมลใช่ไม่ใช่ฟม่ใช่ไม่ใะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่อย่ม่ยช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่ไม่ใช่ม่ใย่ไน่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่มาม่ชม่ใช่มม พืนดินนะครับอาจจะเป็นแตงโมเป็นอะไรอีกที่มันเลือ้อแตงไทยะมะระมะระเป็นผลไม้ไม่ใช่ผลไม้นะเป็นอะไรต่างๆที่เป็นพืชที่เลื้อเนี่ยเราใช้คําว่าอับบะนะครับมัสยอัลกุงวะลีอันอามิคมอัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งปวงเจ้าละตะลานนับมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างซึ่งนับจนหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วนะผลไม้ที่ยืนต้นก็นับแล้ว อ่า ง, งุนก็ น, นับแล้วนะครับต้นแบบปาล์มก็ น, นับแล้วเลือกสวนต่างๆที่รวมผลไม้ทั้งหมดอยู่นั้นก็ น, นับแล้วเนี่ยทั้งหมดนั้นเพื่อใครทั้งหมดนั้นเพื่อใครมาเจอันและคุ้งว่าหรอนนาม่กุมทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยให้ความสุขมาเจเนี่ยคำว่ามาเจเนี่ยหมายถึงว่าให้เรามีความสุขให้เราได้ประโยชน์นะครับและกุ้งสาหรับพวกเจ้า วัลย์อันามิคุมและสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าพี่น้องครับนี่คือเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องที่เรามองข้ามเรื่องที่เราไม่เคยคิดเรื่องที่เราไม่เคยตระหนักไปว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยปัจจัยต่างๆที่ a l ล a h อัลลอฮให้กับเรามาทั้งสิน้นไม่มีสิ่งใดเลยที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยที่เป็นของเราเอง หรือเป็นของที่มักลูกให้กับเรามาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่อัลค่าเหล็กพระผู้สร้างพระผู้อภิบาลเป็นผู้ประทานมาให้กับเราองลองกลับไปนับของกินในตู้เย็นที่บ้านสิไปเปิดตู้เย็นดูแล้วมีอะไรมั่งแล้วลองนึกทีละอย่างทีละอย่างทีละออันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนที่มาของมันมาจากไหน ผมว่าถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันมันช่วยแก้ปัญหาได้หลายอยา่ถ้าเรามีจิตสำนึกอย่างนี้ไม่กินฟุ่มเฟือยไม่ใช้ใจยมบะเซร์แล้วก็ไม่กินขิดสิ่งที่ทารอมแล้วก็ไม่ใช้พละงกำลังที่เราได้มาเนี่ยไปทำผิดต่อโลกสุบมัลตารอบสองอีกนะอัลุบิลละนจะานะครับเพราะฉะนั้นนี่คื อ, อาการวิธีการของอัลกุรอานอิสลามมีเยอะครับอายัดแบบอัลกุรอาน ใครที่อ่านอัลกุรอานทั้งเล่นจะต้องเจอกับเรื่องราวนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลา ว, วิธีการนําเสนอเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่คอนเซปต์ของมันหรือต้าประสงค์ของอัลกุรอานเนี่ยอันเดียวกันต้องการให้มนุษย์คิดไตรตรองเวลาที่เราอ่านเนี่ยต้องคิดแล้วก็ต้องไตร่ตรองตามไปด้วยเพื่อที่จะดึงนะความหลับไหลของเราเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึงให้คิดถึงอัลลอฮ์สุบฮานะไปน้องครับ การคิดถ <im sharing> so so ึงอัลล์ุบฮานานี่แหละที่จะทาให้เรานั้นอยู่กับร่องกับรอยสามารถควบคุมตัวเองได้ใครก็ตามที่ลืมนึกถึงอัลล์เขาก็จะลืมนึกถึงตัวเองอัลล์ลาบอกว่านสูลลฮ์แต่นซีพวกเขาลืมอัลลอ์อัลล์ลาก็เลยลืมพวกเขาแล้วในย้ายหนึ่งอัลล์ลาบอกว่าละตะนุัลลีนนอัลลอฮันซาหฮุมอัลฟุสห์ พวกเจ้าอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์แต่และก็ทำให้พวกเขานั้นลืมตัวเองคนที่ลืมอัลลอฮ์ก็คือคนที่ลืมตัวเองลืมตัวเองก็เลยทําตามสิ่งที่ชาตอนสั่งสิ่งที่นับซูบันเรียกร้องไปและตามที่อารมณ์ไฟต่ํามันต้องการให้ทับนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกัน นะครับช่วยกันให้คนกลับมาหาอัลลอฮ์ให้คนกลับมานึกนึกถึงอัลลอฮ์สักพักแต่ละด้วยช่องทางไหนก็ได้นะบางทีช่องทางนี้เขาอาจจะไม่รับนะเขาอาจจะไม่เก็ตใหภาษาวัยรุ่นหน่อยนะเราบอลอะไนี่เขาไม่เก็ตเขาไม่เขาเขานึกภาพไปหรอกเราก็ใช้วิธีอื่นเอากลุ่อานก็อย่างนี้นะบางทีพูดถึงเรื่องผลไม้เขาไม่เก็ตเขาก็พูดอ่าพูดถึงเรื่องต่อไปพูดถึงเรื่องของฟ้า ยังไม่จบอีกอ่ะพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์พูดแคมันหลากหลายอคือพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยระลึกมาให้ได้แล้วมนุษย์มันกังจริงๆนะอุบิภมนแบบนันอัลลอฮบอว่วกา الإنس ่าอะไรนะอินนัลอินซาน ا ظلُومًا ในสุรา الأحزاب ตอนที่ทายนะอัลลอฮฺบอกว่ายังไงนะ ظ ل م ً ج ه มนุษย์เนี่ยเป็นพวกที่ซลนแล้วก็ j a h i ยาเหลไม่ใช่ยะเห ล, ล, ลเล็กๆยั่วละยะเอลมากมากภาษาที่มันฟังดูแล้วหนักก็ถึงโอ้ดักดานจอเรนก็คือทำร้ายตัวเองไมไม่ไม่ง่อได้ยังไงอ่ ะ, อะกินขอกินยาพิษเข้าไปทุกวันกินยาพิษไม่มีใครแม้แต่สัตว์เนี่ยก็ไม่กินนะลองให้หมากินขอโทษนะรินเล่าแล้วก็ให้หมากินมามันจะกิน มนุษย์กินอะแล้วยังนี้เราไม่บอกว่าจะดูแลได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้มนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอย่าให้มันตกต่ามากไปกว่านี้เลยสังคมเรานี่น่ากลัวมากพอสังคมมนุษย์มันตกต่ำเนี่ยมันเกิดทุกอย่างเลยไอ้ความวุน่นวายสันต์โตที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เกิดมาจากน้ามือมนุษย์ทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาจากน้ํามือของสัตว์สักตัวหนึ่งมนุษย์ทั้งแผ่ ละอิลลัฮิลลอฮ์ละอิลลัฮิลลอฮ์เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าหากว่าคําสอนของอัลกุรอานไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการถ่ายทอดไม่ได้รับการทําให้มันเข้าไปในหัวใจของมนุษย์เนี่ยก็จะจมปลักอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปาะลัยาบุบิลละฮิมดานิเพราะฉะนั้นชะอัลลอฮ์นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันเท่าที่เราสามารถจะช่วยกันได้เพื่อให้นะสังคมของเราน่าอยู่นะครับนี่คือสันติภาพที่แท้จริง ที่เราแต่เราบว่าอัลกุรอานคือคาพีของสันติภาพคําว่าสันติภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการหยุดรบการพักรบไม่ใช่อันนั้นเป็นสันติภาพในลักษณะเขาบอกมหาภาคสันติภาพในระดับใหญ่ๆแต่มันยังมีสันติภาพในระดับเล็กๆที่เรามองข้ามไปสันติภาพสันติสุขในสังคมการมีกินการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะ การที่มนุษย์คนหนึ่งใช้ชีวิตด้วยความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหล่านี้คือปัจจัยที่ทาให้โลกนั้นเกิดสันติภาพทั้งสิ้นแต่มันจะเกิดสันติภาพได้อย่างไงถ้าหากว่ามนุษย์ยังคงทําผิดต่อโลกอยู่ยังคงอะไรนะหมกมุ่นอยู่กับอบายามุกอยู่เป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางเพราะอบายามุก ค, คือตัวที่ทําให้เกิดความวุ่นว้าวสันตะระอะอบายามุก ค, คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน อาบยามุคคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆที่ปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาไม่หายจำไว้ให้ดีทั้งหมดนั้นเกิดมาจากที่มนุษย์ฝ่าฝืนอัลลอฮลาทั้งสิน้นไม่มีสาเหตุอื่นและนี่ก็คือคำพูดที่อัาาลลอฮละใช้กับเรามาอักฟาละมนุษย์นั้นช่างฝ่าฝืนเสียเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นคนที่ฝ่าฝืน a l ل a h u t ا ل l ا a لم صلى الله ونبينا محمد و ع ل ي ا ل ص ح ا ة و س ل ا م السلام عليكم ورحمة الله وبركات